วันนี้สมาชิได้กล่าวถึงเบื้องต้นแห่งพระคมพีน์นี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจต่อไปก็จะได้ประมวลในสีและนิเทศมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปตามลำดักก็คิดว่าคงจะต้องใช้เวลาของการบรรยายนานอยู่กว่าจะจบในปัญญานิเทศแต่ถ้าตอนใดที่ไม่สำคัญก็จะรูบรับให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจชัดเจนขึ้นซึ่งคิดว่าคงจะเป็นแนวทางสาหรับปฏิบัต และเป็นแนวทางที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างถูกต้องได้ดีขึ้นอีกคำพีหนึ่งวันนี้ตมาขอยุติการบรรยายตรงแต่เพียงนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายคำพีวิสุทธิมรรคในวันอาทิตย์นี้ตมาจะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของ เทวดากับคำวิสัชนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือคำพยากรณ์ปัญหาซึ่งเป็นพุทธพยากรณ์อันเป็นแม่บทของการรจนาคำผีวิสุทธิมรรคหรือเป็นการประมวลถึงหลักคำคำสอนของพระพุทธองค์ที่จะนำสนรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดได้ เราก็ว่าราคาขาอันเป็นเบื้องต้นแห่งการรัจนาทำทีวิสุทธิมรรคนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ของสันตสักแต่เราจะต้องทำความเข้าใจถึงพุทธพยากรบทนี้ให้ละเอียดแจ่มแจ้งซะก่อนเราจึงจะทราบว่าจะเป็นแนวทางแห่งความบริสุทธิ์ของสันตสักได้อย่างไรคือพุทธภาษิต บางหมดแม้ว่าจะมีประโยคเพียงสั้นๆแต่ความหมายแห่งพุทธพาสิตนั้นกว้างกวางเหลือเกินเราจะทราบได้จากระคาถาที่มีอยู่ในคำภีพิสุทธิมารน์นี้ว่าถึงแม้จะมีประโยคสั้นๆแต่ได้กินความหมายทางด้านของการปฏิบัติถ้าเราจะพิจารณาในด้านของกัจยา ก็เป็นปรัชญาของชีวิตที่ลึกซึ้งเกินกว่าสามัญสำนึกของกาบที่อุดมไปด้วยจินตายานจะพึงเข้าใจหรือรู้จแจ้งแทนตลอดได้เพราะพุทธพจน์นั้นต้องแทนตลอดด้วยภาวนายานไม่ใช่จินตายานเมื่อเป็นภาวนายานเช่นนี้ก็จะเกินกว่าปัญญาของนักปรัชญาทั้งหลายจะพึงเข้าใจด้วยเหตุนี้การ ที่เราจะศึกษาถึงคำพีวิสุทธิมัติเราจะต้องเข้าใจถึงความหมายของพุทธภาสิตบทนี้เสียก่อนเพราะว่าเป็นเบื้องต้นของการศึกษาถึงความเข้าใจในคำพีพระวิสุทธิมัติทั้งหมดสามนิเทศที่เป็นสีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศเมื่ออาทิตย์ก่อนอาตมาได้หยิบยกเอาปัญหาของเทวดาที่ได้ทูลถามพระพุทธองค์ ที่ทูลว่าอันโตชตาทหิชตาชตายะ ช, ะตาชาติตาปชาตังตังโคตมะปุจฉามิโออีมังวิชาะะเตเยชะตังซึ่งแปลว่าชัดภายในชัดภายนอกหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็มด้วยความลกชัดเช่นนี้ถ้าแต่พระโคดมผู้เจริญใครเล่าสามารถที่จะสักแางหรือแผ้วทางความลกชัดแห่งสัมสัสเช่นนี้ได้ ดังนั้นพระพุทธองค์ได้ตอบแด่เทวดาว่าศีเลปติฐายะนโรสปันโยจิตตังปัญญจากภาวยังอาตาปีนิปกโกภิกขุโสอิมังวิชตะเย ช, ชะตังซึ่งแปลว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นในศีลแล้วยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นผู้มีความเพียร เป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาสนเป็นผู้เห็นภยัยจะถึงถางความรกชัดเช่นนี้ได้ซึ่งอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงทางที่เราจะแพ้วถามไปสู่ความบริสุทธิ์ว่าจะต้องประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างในพุทธวจนะบทนี้ท่านทั้งหลายสังเกตดูก็จะทราบว่า พระพุทธองค์ได้แสดงถึงปัญญาได้แสดงเรื่องปัญญาถึงสามครั้งด้วยกันการแสดงพุทธภาสิตในบทหนึ่งซึ่งพูดถึงเรื่องปัญญาถึงสามครั้งเช่นนี้ย่อมมีความหมายในด้านการปฏิบัติในด้านอื่นๆซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าปัญญาที่หมายที่กล่าวถึงสามครั้งเช่นนี้นะ่ะเป็นปัญญาชนิดใดบ้างประโยคต้นที่ว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีล นี่ก็พูดถึงปัญญาเป็นเบื้องต้นและยังตรัสอีกว่ายังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เป็นการเป็นการตรัสถึงปัญญาครั้งที่สองเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนปัญญาตรัสอีกเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามนี้เป็นปัญญาเครื่องรักษาตนผู้เห็นภัยเช่นนั้น พึงสั่งความรูชัดเช่นนี้ได้คือปัญหาที่เราจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์โดยแจ่มแจ้งและถูกต้องหรือไม่อยู่ตรงที่ว่าเราจะปกปบธรรมะแต่หรือไม่หรือเราจะเข้าใจธรรมะอนนั้นรู้ถูกตรงหรือไม่การที่เราจะปบธรรมะแตกหรือเข้าใจธรรมะได้รู้ถูกตรงนั้น อยู่ที่การศึกษาและการอบรมคือธรรมะนั่นอยู่เหนือสติปัญญาของสามัญชนหรือสามัญญาสัต์จะพึงเข้าใจได้อย่างผิวเผินเป็นเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์โดยเฉพาะคำสอนที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา น, นี้ได้กลั่นกรองมาแล้วด้วยอำนาจแห่งสัมมาสัมโพธิทยาน ถ้าจะพูดถึงปัญญาก็เป็นปัญญาชั้นสูงไม่ใช่ปัญญาชั้นบุคคลสามัญธรรมดาดทั่วไปฉะนั้นการตีความหรือความเข้าใจในเรื่องของธรรมะนั้นเราจะต้องดาเนินตามสายแห่งพระโพธิญาณที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาก่อนมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมะนี้โดยถูกต้องไม่ได้พระอัตกราจารย์นั้นท่านเป็นผู้ แตกฉานในคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นการอธิบายหรือการขยายความแห่งธรรมะเราจะสังเกตได้ว่าพระอัจฉริอาจารย์นั้นท่านขยายละเอียดหมดทุกวัตทุกตอนทุกคำพูดทุกประโยชน์นำเอาพุทธธำรหนักแม้แต่คำเดียวก็มาวินิจฉัยมาอธิบายเสยละเอียดละ อ, อ่เพื่อเพื่อกูลแก่กุลบุตรในสมัยหลังเราได้รับประโยชน์ คือความรู้ความเข้าใจในธรรมะสมัยปัจจุบันก็อาศัยพระอาจารย์อาจารย์ท่านได้ปุยทางไว้ให้หรือเป็นผู้ได้วินิจฉัยธรรมะไว้ให้แกเราเราจึงเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจถึงพุทธภาปิติบทนี้เสียก่อนว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสมีความมุ่งหมายอย่างไรครั้งที่แล้วอาตมาได้พูดถึงคําว่าชะตาหรือคําว่าชัด ให้ท่ทาทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่าหมายถึงกิเลสซึ่งอันได้แก่ปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็มีอยู่ทั้งภายในภายนอกเกิดขึ้นในตัวเราเองบ้างเกิดขึ้นเนื่องด้วยคนอื่นบ้างที่เนื่องในตนเนื่องด้วยคนอื่นก็เพราะว่าเราปรารบตนเองแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นปรารบผู้อื่นแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเกิดความพยานยากขึ้นมาซึ่งอันนี้ท่ทานทั้งหลายเข้าใจปัญหาแล้วว่าความลบชัดเช่นนี้ ย่อมรอบงำสรรพสัตว์อยู่แต่ปัญหาที่เราจะต้องเข้าใจกันต่อไปก็คือพุทธภาสิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ถึงการถามความรกชัดเช่นนี้ว่าจะต้องอาศัยอะไรบ้างเราจึงจะถามความรกชัดเช่นนี้ได้คือปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาเราก็ย่อมทราบได้ดีว่าเป็นเครื่องร้อยรัก ชีวิตของตัดให้ติดอยู่ในความทุกข์ตลอดจนเป็นเครื่องกังวลเป็นความอาลัยอาวรณ์ตา่างๆที่เราได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่ร้ายที่สุดก็คือตัณหาหนั่นเป็นตัวสมุทรไทยแห่งทุกข์ทั้งพวงไม่ว่าจะเป็นชาติทุกชาราทุกมรณะทุกหรือโสอกปริเทวนาฏการตา่ตางๆก็เกิดมาจากตัณหาเป็นสมุทรไทยทั้งนั้น ถ้าก็ว่าตัวตัญหานี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อยแปดทันอย่างตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็เกิดมาจากปัญหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาว่าอะไรที่เป็นเครื่องกาจัดปัญหาเช่นนี้ให้หมดไปได้หรือกำจัดเครื่องรกรุงรังเช่นนี้ให้หมดไปได้นั้นเป็นการศึกษาที่เป็นประโยชน์และก่อนที่ พระพุทธโคสาจารย์ท่านจะได้รจนาคำภีวิสุทธิมรรคนี้ท่านก็ได้อภษฐาอธิบายถึงพุทธภาษิตบทนี้ให้เราเข้าใจเสียก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วจึงจะได้อธิบายถึงหลักใหญ่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติให้เราได้เข้าใจต่อไปอตอนนี้ทศมาจะอธิบายพุทธภาสิตบทนี้เริ่มตั้งแต่สีเลสติถายะนโรสปัญโยเป็นต้นไป คำว่าสีเ ร, ป, รปิตขายะนโรสปัญโยที่แปลว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลคำว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลศีลที่ตั้งมั่นไว้แล้วนั้นได้แก่ศีลชนิดใดท่านกล่าวว่าศีลที่ว่าตั้งมั่นดีแล้ว หรือนรชนเหล่าวใดผู้ตั <temp> ้งม <aste> ั่นอยู่ในศีลนรชนผู้นั้นมีหลักการปฏิบัติอย่างไรเราจึงเรียกว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีลเช่นอย่างเราจะชมเชยใครสักคนหนึ่งว่าแม้ท่านผู้นี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมหรือเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในศีลในสั์อะไรเช่นนี้อะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าคนคนนี้เป็นคนตั้งมั่นอยู่ในศีลในสัมหรือเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติที่ดี ท่านกล่าวว่าคําว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลนี้ก็หมายถึงว่าผู้นั้นเป็นผู้ทำศีล น, นี้ให้บริบูรณ์หรือผู้ใดมีศีลโดยบริบูรณ์ผู้นั้นแหละเราเรียกว่าเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีลเช่นเป็นต้นว่าคนคนนี้เขาไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําหยาบคนนี้ไม่ดื่มสุราเมรัย หรือเสพของหมึนเมาต่างๆเมื่อเขาได้เว้นจากสิ่งทั้งหลายเหลา่านี้อย่างเงร่งรัดและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เรียกได้ว่าผู้นี้เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีลจักได้ว่าเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีลแต่ว่าศีลในที่เนี้หมายถึงศีลอุบาอุบาสิ ก, กาแค่สิกขาบทห้าถ้าเป็นสิกขาบทแปเช่นศีลอุโบสถก็หมายถึงว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ทําศีลอุโบสถให้บริบูรณ์ดีแล้ว ไม่ขาดไม่ทรุไม่ด่างร้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีลถ้าเป็นภิกษุสัมมณีนภิกษุก็มีศีลสิสอาภิสัมเณีมีศีลสิบภิกษุก็มีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดในบรรดาภิกษุและสมัมเณีผู้ตั้งมั่นแล้วในศีลสิบและสองอยยสบเจ็ดเช่นนี้เป็นผู้ยังสิกขาบทอันนี้ให้ถึงพร้อมบริบูรณ์เราก็เรียกว่าขั้นผู้นี้เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีล ฉะนั้นการตั้งมั่นแล้วในศินนี้มีหลักมินิจฉัยว่าผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีศินบริบูรณ์ครบคําว่าบริบูรณ์ก็คือไม่ซ้องถ้าเราปฏิญาณตนว่าเราจะรักษาสินห้าสินห้าก็มีอยู่ครบบริบูรณ์ไม่เหลือสี่ไม่เหลือสามถ้าปฏิญาณตนว่าเป็นผู้รักษาสิน 10, สิบสินสิบก็มีอยู่บริบูรณ์ถ้าเป็นผู้ปฏิญาณตนถือศินสองี่สิบหรือปฏิบัติตามสิกขาบท227 ศีล227นั้นก็มีอยู่โดยบริบูรณ์ความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในศีล น, นี่หมายถึงคำว่าสีเลปฏิฐายะคือความเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในประโยคนี้ท่านกล่าวว่านร์ชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลคำว่านราชนผู้มีปัญญานี่ คำว่าผู้มีปัญญาในที่นี้ท่านหมายเอาปัญญาที่เราได้มาตั้งแต่เกิดปัญญาที่ได้มาตั้งแต่เกิดปัญญาชนิดนี้เป็นสชาติสชาติปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นพร้อมกันกันกบปฏิสมทิจิตทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสมทิกิจนั้นได้มีปัญญาเข้าไปประกอบเราเรียกจิตชนิดนี้ว่าญาณสัมปยุต คือคนเนี่ยเกิดด้วยจิตที่เป็นมหากุศลอย่างมนุษย์นี่เกิดด้วยจิตที่เป็นมหาวิปัามหาวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลมหาวิบากจิตทั้งแปดวงที่เป็นกามาวจรจิตจิตชนิดนี้จะทำหน้าที่เกิดขึ้นในมนุษย์เทวดาเพราะว่าที่เรามาเกิดในเพราะปัจจุบันนี้ ร, รูปรูปมรยของเราเนี่ยหรือนามรดยนี้ ที่กำลังเกิดดับเกิดดับในปัจจุบันนี้เราจะกล่าวว่าเป็นสมบัติในชาติก่อนก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นสมบัติในชาตินี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอัตราตัวตนอันใดทั้งรูปและนามจะเป็นสมบัติของเราสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาแต่ว่าการเกิดขึ้นในภพใดภูมิใดนี้ อาศัยสักติของจิตคือความสืบต่อของจิตทาหน้าที่จุติและปฏิสมทิเช่นอย่างคนตายเราก็เพ่งไปสู่ความดับของวิญญาณเมื่อวิญญาณดับเราเรียกว่าคนนี้ตายแล้วคำว่ า, าดับในที่นี้หมายความว่าดับแล้วไม่เกิดอีกไม่ใช่อยู่ในฐานะที่เป็นวิสัญญีภาพคือการสลบไปชั่วขณะหนึ่งแต่หมายถึงว่าเมื่อวิญญาณอันนี้ดับแล้วไม่ฟื้นอีกต่อไป เราเรียกว่าคนนี้ตายแล้วเมื่อวิญญาณอย่างลงสู่การประสิทธิในครันเราก็ถือว่าสัตว์เกิดแล้วเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยว่าคนตายคนเกิดจึงเพ่งสู่ที่วิญญาณเช่นเมื่อวิญญาณดับเราก็ถือว่าคนนี้ตายแล้วเมื่อวิญญาณอย่างลงสู่ในครันก็ถือว่าสัตว์เกิดขึ้นแล้วแม้สัตว์นั้นจะไม่มีรูปร่างเลยแต่ถ้าผู้ใดไปทําลายสัตว์ในครันเช่นนั้น ท่านก็ถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตคนคนหนึ่งเหมือนกันถือเป็นบาปเป็นปานาติบาท้านก็ว่าได้ฆ่าคนคนหนึ่งเหมือนกันแม้ว่ารูปร่างกายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเป็นรูปร่างของมนุษย์มันจะอยู่ยในสภาพของคณะคือเป็นก้อนเนื้อป็ะามหรืออยู่ในฐานะที่เป็นเปสิคือขั้นเพนเพียงแต่เฉพาะมูหรื อ, อที่เรา วินิจฉัยกันว่ายังไม่เป็นก้อนเนื้อยังเป็นมูกเหลวๆอยู่ก็าตามท่านก็ถือว่าเป็นการทําลายชีวิตสัตว์เหมือนกันนี่ก็เพราะว่าเอาวิญญาณของสัตว์ไปปฏิสนธิเนี่ยเป็นเกณฑ์เมื่อมีวิญญาณปฏิสนธิในคันแล้วก็ถือว่าสัตว์ได้เกิดขึ้นแล้วผู้ใดทําลายวิญญาณเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นปาณาติบาตแม้รูปจะไม่ปรากฏเด่นชัดแต่ในขณะนั้นตัมมะชรูปก็เกิดขึ้นแล้ว ดังการเกิดขึ้นของสัตว์นี่จึงเกิดขึ้นโดยวิญญาณชนิดนี้เราเรียกตามสํานวนทางประชญาธรรมว่าปฏิสมธิวิญญาณซึ่งแปลว่าวิญญาณที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิคือเกิดวิญญาณที่ทําหน้าที่นี้ก็หมายถึงวิปลาสวิญญาณคือมหาวิบากจิตที่เป็นกามาวจรจิตอันทําหน้าที่ปฏิสนธิในการมาภูมินี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิบากจิตเนี่ยทําหน้าที่ปฏิสนธิ ในมหาวิบากจิตนี้ถ้ากล่าวโดยสัมปยุตและวิปยุตแล้วก็มีจิตประเภทหนึ่งที่สัมปยุตด้วยปัญญาเราเรียกจิตชนิดนี้ว่าญาณสัมปยุตแปลว่าประกอบด้วยปัญญามีจิตอีกชนิดหนึ่งเป็นญาณวิปยุตแปลว่าปราศจากปัญญาก็หมายความว่าจิตที่ทําหน้าที่เกิดเนี่ยจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตบางประเภทเป็นญาณสัมปยุตบางประเภท เป็นยานวิทยุที่เป็นยานสัมพยุทธกับญานวิทยุนี้ก็เนื่องมาจากกรรมเก่ากรรมเก่าก็คือมหากุสลก็ตามหลักของพระพุทธศาสนาเราที่สัต์ทงหลายได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดด้วยอำนาจของมหากุสลเพราะเราเนี่ยทำความดีมาในชาติก่อนชาตินี้เราจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทาความดีในชาติก่อน เราอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ที่เราเห็นเห็นอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมีตั้งหลายแสนจำพวกหรืออาจจะปฏิสมธิในอบายคือในนรกเปรดอสุรกายก็ได้เราจะไม่มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่นี่ต้อางอาศัยมหาสุสล์ที่เราได้ทําไว้ในชาติก่อนมหาสุศลนี้จึงส่งผลให้ปฏิสมธิในมนุษย์แล้วก็ปฏิสมทิบนเทวโลก คือบางจมพวกก็เกิดขึ้นบนเทวโลกในชั้นจารุมหาราชบ้างในชั้นดาวดึงบ้างยามาบ้างูกสิตบ้างนิมาปราดีบ้างปรนิมิตวัสวัตตีบ้างแล้วแต่วิบาของกรรมที่สัตว์นั้นๆได้กระทำมาเราเกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นกุศลแต่บานที่เราอบรมมาเพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้เกิดมหาวิบาถ้าเราทากุศลในชาติก่อนด้วยปัญญา หมายความว่าเราทํำกุศลประกอบด้วยยานสัมปยุตคือมีปัญญาในขณะที่ทําอํานาจแห่งยาณสัมปยุตที่เป็นกุศลเนี่ยและเราทําด้วยจิตที่แกล้งกล้าทําด้วยความกล้าหาญไม่ต้องมีใครมาพระรับประโรมกรอบใจหรือชักชวนให้เราทําเราตั้งใจทําตามลําพังของเราเองอา น, นิสงส์ที่เราทําเช่นนี้แหละส่งผลให้เราเกิดมาในปัจจุบันเป็นญาณสัมปยุต ด, ด้วย คนที่เกิดใน ย, ยานสัพยุตนี้ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าติเขตุกร บ, บุคคลแปลว่าบุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยเหตุสามอย่างคือขณะที่เกิดนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธและไม่มีความหลงเท่ากับว่าคนคนนี้เกิดมาด้วยมีปัญญาแต่เป็นปัญญาประเภทสามัญจะต่าอย่างพวกเราเท่านั้นไม่ใช่เป็นปัญญาสูงถึงขั้นโพธิสัตว์พราะโพธิสัตว์นี้ท่านมีปัญญาสูงกว่าเรา มีปัญญาสูงถึงขนาดว่าขนาดที่ท่านจุติ donc, คือตายจากภูมิใดภูมิหนึ่งจะมาเกิดในมนุษย์นี้ท่าน kleine, าก็รู้ตัวระหว่างจุติเนี่ยท่านรู้ตัวระหว่างอย่างลงสู่คันข้ามารดาท่านก็รู้สึกตัวระหว่างที่อยู่ในคั์ท่านก็รู้ว่าในคันเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรระหว่างที่ซอดออกจากคันท่านก็รู้ท่านรู้หมดทั้งสาการทั้งการจุติจะพบอื่นมาปฏิสนทิในภพนี้ระหว่างลงอยู่ในคภนข้ า, ขามารดาก็รู้สึกตัว กลอดออกจากขันก็รู้สึกตัวบุคคลประเภทเนี่ย่ยอมเข้าใจชีวิตโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นตายมามาเกิดยังไงเป็นทุกยังไงอยู่ในคันจนทั้งคลอดออกมาจากคันท่านผู้นั้นต้องเป็นโพธิสัตว์เช่นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นต้นพระพุทธองค์นั้นอบรมบารมีมาแก่กล้าแล้วพระโพธิญาณเนี่ยศาสนามานานแล้วเพราะฉะนั้นในปัจฉิ ม, มชาติคือชาติสุดท้ายที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ตอนจุติลงจากทั้นดุติท่านก็รู้และกระจุติมาอย่างผู้ที่มีสติสัมปชัญญะขณะที่ยังลงสู่คันของมารดาก็มีสติสัมปชัญญะรู้ขณะคลอดออกจากคันก็มีสติสัมปชัญญะรู้ก็ฉะนั้นเมื่อประารู้สัมมาสัมปชิญาะแล้วพระพุทธองค์เทศนาถึงทุกอริยสัจจึงลำดับทั้งแต่ชาติทุกคือความเกิดเป็นทุกเนี่ยไว้โดยละเอียดทั้งหมด ราวตั้งแต่ทุกตั้งแต่วิญญาณอย่างลงสู่การเกิดเนี่ยเป็นทุกอย่างไงไปเกิดที่ตรงไหนถล่มดับหมดเลยตั้งแต่เกิดในครันของมารดาอยู่ในครันเนี่ยเป็นทุกอย่างไรร้อนอเอ้าวได้ความทุกข์ทรมารอย่างไรขณะที่จะคลอดออกจากคันเนี่ยมีอาการอย่างไรตรัสไว้ละเอียดหมดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงทุกแล้วพระพุทธองค์ก็เข้าใจทุกปลุกโลงถึงขนาดชาติทุกตั้งแต่ตามอย่างลงสู่ความเกิดมาตามลําดับ เนี่เป็นผลมาจากเพราะว่าได้อบรมปัญญามาแต่อดีตปัญญาชนิดนี้ย่อมทราบความเกิดขึ้นหรือเข้าใจชีวิตเนี่ยโดยตลอดตั้งแต่การต่อกำเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเช่นนี้แล้วจึงสามารถพ้นสามารถเข้าใจถึงเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นตัวสมุดไทยได้และก็สามารถดับทุกข์เช่นนั้นได้และมีทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้ก็คือเป็นผู้ที่รู้แจ้งแ่งตลอด ในอริยสัจธรรมอย่างพวกเราที่เป็นญาณสัมปยุทธ์นี่ถึงแม้เราจะมีปัญญามาตั้งแต่เกิดเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยมาเกิดตั้งแต่เมื่ อ, อไรเวลาไหนและตอนอยู่ในคันนะเป็นทุกข์ยังไงเราก็ไม่รู้ตอนอรอดออกจากคันเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้ทั้งๆที่เราเองแบบเป็นคนที่รอ้องจะลั่นบ้านไปหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ยังไงทําไมถึงร้องกว่าจะมารู้เอาว่าเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์ บางทีบางคนกว่าจะรู้อายุตั้งหกสิบปีบางคนอายุสามสิบปีหรือบางคนอายุยี่สิบปีจึงรู้ว่าออกความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ยิ่งบางคนด้วยยิ่งไม่รู้เลยตายไปทั้งนั้นที่ไม่รู้ว่าตายไปทั้งน ท, ที่เป็นทุกข์ก็ไม่รู้แร้วว่าเกิดเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไงเนี่ยเนื่องมาจากว่าเพราะเรามีปัญญามาไม่เท่าเทียมกันปัญญาที่เป็นสัจชาสิปัญญาท่านหมายถึงปัญญาที่เราได้มาตั้งแต่เกิด คือตั้งแต่อติสมที่ญญปัญญาเนี่ยยางลงสู่คันปัญญาเช่นนี้ก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาอย่างนี้เรียกว่ า, าชาติติปัญญาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าญาณสัมปยุตฉะนั้นคําว่านรชนผู้มีปัญญาในที่นี้ท่านหมายถึงนรชนผู้นั้นเกิดมาเป็นติเหตุกับุคคลคือเกิดมาอย่างคนที่มีปัญญาไม่ใช่เกิดมาอย่างคนที่ไม่มีปัญญาเพราะคนที่ไม่มีปัญญานี่ถ้าเกิดมาปัจจุบัน แม้จะมีศรัทธาปฏิบัติธรรมแค่ไหนก็ตามทำฌานและมั่งผลไม่เกิดฌานก็ไม่เกิดมั่งผลก็ไม่เกิดเพราะว่าปัญญาหรือปัญญนตร์เนี่ยอ่อนไปเมื่อปฏิสนธิมาเนี่ยไม่มีปัญญาเข้ามาประกอบแล้วแม้ว่าตนเองจะใช้ความภาพเพียนในการปฏิบัติสัตานใดก็ไม่สามารถบรรลุมั่งผลนี่เราเรียกบุคคลประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่าทวิเหตุกรบุคคล เพราะบุคคลที่เกิดมาด้วยเหตุสองอย่างคือมีความไม่โลภ ก, กับความไม่โกรธแต่ว่ามีความหลงในขณะที่เกิดที่มีความหลงนี้เพราะว่าไม่มีปัญญาเข้ามาประอกอบบุคคลประเภทนี้มีปัญญาน้อยต้องอบรมนานถ้าจะลำดับวามบัวสี่เหล่าแล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเนยยากบุคคลเป็นเนยยากบุคคลบุคคลประเภทนี้ต้องใช้เวลาสั้หน่อยหนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเป็นผู้อบรมปัญญาอยู่เสมอๆนั่นแหละที่สามารถจะเข้าใจในสัจธรรมได้ในโอกาสต่อไปดีกว่าบุคคลที่ไม่อบรมปัญญาฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาในที่นี้พระพุทธองค์กลับมุ่งเฉพาะผู้ที่เป็นติเหตุกับบุคคลและก็มีปัญญามาตั้งแต่ปฏิสนธิซึ่งเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากกรรม เกิดขึ้นแต่กรรมเกา่านี่หมายถึงนราชนผู้มีปัญญาในประโยคแห่งบาลีที่ว่าสีเลปติถายะนโรสปันโยทนี้จะพูดถึงคําว่าจิตตังปัญญจะภาวยาังซึ่งได้แก่ผู้ที่ยังปัญยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่คําว่าผู้ที่ยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เนี่ยคือผู้ใดคําว่าจิตตะในที่นี้ท่านหมายถึงสมาธิ ปัญญาก็หมายถึงตัวปัญญาคือจิตเพราะว่าในที่นี้ตามประธานพคตรที่พระพุทธองค์ได้แสดงนั้นท่านหมายถึงเอาตัวจิตปะเนี่ยคือตัวสมาธิได้แก่ตัวสมถะส่วนตัวปัญญานั้นได้แก่ตัววิปัสนาปัญญาคือตัววิปัสนาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคําว่า นรชนผู้ยงจิตและปัญญาให้เจริญอยู่ก็คือผู้ที่เจริญสมถะและผู้ที่เจริญวิปัสนาจิตตั้งตัวนี้หมายถึงสมาธิและปัญญาก็ได้แก่ปัญญานั่นเองทีนี้ที่ว่านรชนผู้นั้นมีความเพียรจิตตังปัญญาจากทายาทอาตาปีคําว่าอาตาปีนิปโกภิกขุ อาตาปีในที่เนี้แปลว่าความเพียรหรือคำว่าอาตาป์ก็แปลว่าความเพียรแต่โดยความมุ่งหมายทางสภาวธรรมแล้วท่านหมายถึงธรรมชาติที่ยังกิเลสให้เร่าร้อนธรรมชาติใดที่ทำกิเลสให้เร่าร้อนธรรมชาตินั้นแหละเรียกว่าอาตาป์ปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันในตอนนี้ เรื่อความเข้าใจก็คือเรื่องอาตาปะหรือมางแห่งก็ใช้กำวมาอาตาปีมารีใช้คำว่าอาตาปีแต่ภาษาไทยเราใช้อาตาปะซึ่งแปลว่าความเพียรแปลว่าในทางปฏิบัตินั้นทหมายถึงว่าธรรมชาติที่ยังความธรรมชาติที่ยังกิเลสให้เราร้อนธรรมชาติที่ยังกิเลสให้เราร้อนท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะยังกิเลสให้เราร้อน เพราะว่าโดยปกติที่เราศึกษาธรรมะ ก, กันนี้เราเข้าใจว่าความเร่าร้อนของจิตก็เกิดมาจากเราะกิเลสเพราะ อ, อานาจของกิเลสนี้เองจึงทาให้เราเนี่ยเกิดความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าใจเนี่ยร้อนรุ่มอยู่เสมอหรือมีความรุ่มเข้ามารุ่มรุ่มจิตใจอยู่ตลอดเวลาเต็ไมไปด้วยความหมุนหมอง ลกักษณะที่จิตใจหมุนหมองและเกิดความปัดรุ่มเช่นนี้เกิดมาจากอำนาจของกิเลสเราเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยทำให้เกิดความเร่าร้อนทีนี้ตัวกิเลสเองมันก็ร้อนตัวกิเลสเองร้อนด้วยอะไรกิเลสนั้นร้อนด้วยอำนาจของอาตาปะคือจิตของมนุษย์ที่เร่าร้อนเราถือว่าเร่าร้อนมาจากกิเลสหรือเร่าร้อนมาจากมาจากความชั่ว คนไหนที่ทำบาปทำความชั่วไว้มากจิตใจก็เราร้อนอยู่เสมอเราถือว่าจิตที่เราร้อนนี้เนื่องมาจากกิเลสถ้าไม่มีกิเลสแล้วจิตก็ไม่เราร้อนแต่ว่าตัวกิเลสละตัวกิเลสเล่าร้อนมาจากอะไรกิเลส่ะเป็นกิเลสอยู่แล้วกิเลสก็ไม่ได้ทาให้กิเลสเล่าร้อนได้เพราะกิเลสย่อมชอบกิเลสแต่ว่าสิ่งที่ทำให้กิเลสเล่าร้อนได้นั้นก็คือปุสสนปุสสนในที่นี้ก็ได้แก่ตาปา อาปาเนี่ยทํากิเลสให้เล่าร้อนท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่ากิเลสมันจะเล่าร้อนก็กุศลอย่างไรสังเกตได้จากคนทาความดีแล้วตัดรุ่มใจเราทําความดีครั้งแรกแหมเรารุ่มแล้วเกินเรารําคาญเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายไปนั่งฟังเทศเวลานั่งฟังเทศแม้มันเมื่อยอะไรอย่างนี้แม้ําคาญจริงพระเทศนานไม่จะจบสักทีหรือบางที พอเรานั่งภาวนาไปก็ทำไมมันปวดเน็ตชาขึ้นแ้วเท้าก็ชาไอ้นูนก็ชามันปวดหลัง